สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสจรอเอฟเอ็มรหกาพเจาพระมหาภัยบูญอาพภิปุโนจากวัดป่าดอนไห่โศกมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธนำนิทานธรรมบทมาให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงวันจันทร์ถึงวันพุธส่วนในวันพฤหัสและวันศุกร์นั้นก็มาพร้อมกับคุณสรสนีนาคพงษ์ ในการมาพูดคุยเรื่องราวในการที่จะนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติหรือเรื่องของธรรมะในแง่มุมต่างๆในช่วงนี้ก็เป็นการให้ท่านผู้ฟังได้ลองฟังดูท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวการอธิบายถึงสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ก็คือบางทีพระพุทธเจ้าตรัสพุทธพจน์อะไรสั้นๆไว้เป็นคำร้อยแก้วหรือร้อยกลองอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะมีครูบาอาจารย์ที่เขาได้อธิบายว่าคำต่างๆเหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไรซึ่งในบางครั้งการอธิบายนั้นก็จะรวมถึงเรื่องของบริบทว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรมีความหมายในเรื่องของคาศัพท์หรือมีนัยยะต่างๆอย่างไรและนี่เป็นหน้าที่ของภิกษุในธรรมะวินัยนี้ทั้งหังซึ่งจะต้องทำสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งและโดยการ นำสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังคือเรื่องของพุทธพจน์ต่างๆเหล่านั้นนำมาอธิบายซึ่งนิทานที่ข้าพเจ้านํามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงตั้งแต่วันจันท์ถึงวันพุธนั้นจริงๆแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ผู้ที่เรียนภาษาบาลีนนในตามหลักสูตรปเรียนธรรมขั้นที่หนึ่งสองแล้วก็รเรียนธรรม3มประโยคเนี่ยจะต้องได้เรียนอยู่แล้วมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่น่าสนใจอ ย, อยู่ ว, วันนี้ก็ได้นํามาให้ฟังสองเรื่องทจำฝั่งเป็นเรื่องของโจนคราวแดงนั่นคือเป็นบุรุษคราวแดงผู้ที่เคยเป็นโจนมาก่อนแล้วก็พอตอนหลังถูกเขาจับได้ก็หักหลังโจนด้วยกันนะซึ่งในตอนแรกบุรุษคราวแดงคือหนวดคราวของเขาเนี่ยเป็นขนสีแดงออกมาแล้วตาก็เหลือกตาเหลืองด้วยตอนแรกหัวหน้าโจนก็ไม่ยอมรับเข้าเป็นพวกละ ดูงโงเ่เฮงแล้วคนนี้จะนําความย่อยยับมาสู่คณะของโจรนั่นก็ไม่รับแต่สุดท้ายก็ด้วยความพยายามก็จึงรับนายคราวแดงนี้เข้ามาแล้วก็จริงๆอย่างนั้นท่านผู้ฟังหมู่โจร500รยนั้นก็ถูกทําลายด้วยฝีมือของนายคราวแดงนี้เรามาฟังเรื่องราวตรงนี้กันมีกติที่น่าสนใจอยู่พระพุทธาได้ตรัสคําที่เป็นคาถาเอาไว้นะโดยมีที่มาที่ไปมาจากเรื่องของนายคราวแดงนี้ เรื่องบุรุษคราวแดงผู้ฆ่าโจรพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารพบุรุษผู้ฆ่าโจรมีคราวสีแดงตรัสพระธรรมเทศนานิว่าสหัสสมมปิเจวาจาอนัทะปะฐะสันหิตาเอกัง อัฏฐะปังไส ย, ยังยังสุตวาอุปสัมมติหากวาจาแม้ตั้งพันไม่ประกอบด้วยบทที่เป็นประโยชน์ใ้บทที่เป็นประโยชน์บทเดียวซึ่งบุคคลฟังแล้วสงบระงรับได้ประเสริฐกว่าดังได้สดับมาโจร499คน ทำกรรมมีการปล้นชาวบ้านเป็นต้นสำเร็จความเป็นอยู่แล้วครั้งนั้นบุรุษผู้หนึ่งมีตาเหลือกเหลืองมีคราวแดงไปยังสานักของโจรเหล่านั้นกล่าวว่าฉันต้องการเป็นอยู่กับพวกท่านในที่นั้นพวกโจรแสดงบุรุษนั้นแก่หัวหน้าโจรแล้วกล่าวว่า ชายผู้นี้ปรารถนาจะอยู่ในสำนักของพวกเราครั้งนั้นหัวหน้าโจรแลดูบุรุษนั้นแล้วคิดว่าบุรุษผู้นี้กักกระนักสามารถในการที่จะตัดนมของแม่นำเลือดในลำคอของพ่อออกดื่มกินได้ดังนี้แล้วจึงได้ห้ามเขาด้วยคำพูดที่ว่ากิดคือการอยู่ในสำนักของพวกเรา สำหรับบุรุษนี้ไม่มีดังนี้บุรุษผู้นั้นแม้ถูกหัวหน้าโจรห้ามแล้วอย่างนั้นก็ไม่ไปบำรุงสิทธิ์คนหนึ่งของหัวหน้าโจร น, นั้นนั่นแหละให้พอใจแล้วโจร น, นั้นพาบุรุษนั้นเข้าไปหาหัวหน้าโจรแล้วอ้อนบ่นว่านายผู้นี้เป็นคนดีมีอุปการะแก่พวกเรา ขอท่านจงสงเคราะห์เขาเถิดได้ให้หัวหน้าโจรรับไว้แล้วในภายหลังบันหนึ่งพวกชาวเมืองร่วมกันกับราชบุรุษจับโจรเหล่านั้นได้จึงนำไปสู่สนักของพวกอมตผู้วินิจฉัยคดีทั้งหลายพวกอมตะสั่งบังคับการตัดศรีรษะของโจรเหล่านั้นด้วยขวานลำดับนั้น ชาวเมืองปรึกษากันว่าใครหนอแลจะฆ่าโจรเหล่านี้แสวงหาอยู่ก็ไม่เห็นใครๆผู้ปรารถนาเพื่อจะฆ่าโจรเหล่านั้นจึงพูดกับหัวหน้าโจนว่าเอาละถ้าท่านฆ่าโจรเหล่านี้แล้วจะได้ทั้งชีวิตได้ทั้งความนับถือทีเดียวท่านจงฆ่าโจรเหล่านั้นซะแม้หัวหน้าโจร น, นั้นก็ไม่ปรารถนาจะฆ่า เพราะความที่พวกโจร น, นั้นอาศัยตนอยู่แล้วพวกชาวเมืองจึงถามโจรทั้ง4 5 9คนโดยอุบายนี้แม้โจรทั้งหมดนั้นก็ไม่ปรารถนาจะฆ่าพวกเดียวกันพวกชาวเมืองจึงถามนายตำพระธาทิกะคือนายขาวแดงผู้มีตาเหลือกเหลืองนั้นในลำดับสุดท้ายของโจรทั้งหมด นายตำพระธาติกะคือนายคราวแดงนั้นได้รับคำของพวกอมาร์ตแล้วค่าโจนทั้งหมดได้ทั้งชีวิตได้ทั้งความนับถือด้วยตอนเพชฌฆาตออกจากตาแหน่งในเวลาแก่พวกชาวเมืองนำโจนห้าร้อยคนมาแล้วแม้จากทิศทักษิณแห่งเมืองแล้วแสดงแก่พวกอมาร์ตโดยอุบายนั้น เมื่อพวกอมาร์ตนั้นสั่งบังคับให้ตัดศีสะโจนเหล่านั้นจึงถามตั้งแต่หัวหน้าโจนเป็นต้นไปไม่เห็นใครผู้ปรารถนาจะฆ่าพวกเดียวกันจึงถามว่าในวันก่อนบุรุษคนหนึ่งฆ่าโจนห้าร้อยคนแล้วบุรุษนั้นอยู่ที่ไหนนอนแลเมื่อชนทั้งหลายตอบว่าพวกข้าพเจ้าเห็นเขาแล้วในที่ชื่อโ น, น้น จึงให้เรียกเขาแล้วสั่งบังคับว่าท่านจงฆ่าโจนเหล่านี้แล้วท่านจะได้รับความนับถือนายตําพัตตาธิกะคือในกลขาวแดงนั้นรับคำแล้วจึงฆ่าโจนเหล่านั้นได้รับความนับถือด้วยครั้งนั้นชาวเมืองเหล่านั้นจึงปรึกษากันว่าบุรุษคนนี้ดีพวกเราจะทําเขาให้เป็นคนฆ่าโจน โดยประจำทีเดียวดังนี้แล้วจึงให้ตำแหน่งนั้นกับเขากระทำความนับถือแล้วนายตัมพตาธิกะคือบุรุษกราวแดงนั้นฆ่าโจนกราวละห้าร้0ยห้าร้ซึ่งเขานำมาแต่ทิศประจิมบ้างทิศอุดอรบ้างเขาฆ่าโจนทั้งสิ้นรวมสองพันคนซึ่งนำมาแต่ทิศทั้งสี่ ด้วยอุบายอย่างนั้นจำเดิมแต่นั้นนายคราวแดงนั้นเป็นคนฆ่ามนุษย์ที่เขานำมานำมาคือคนหนึ่งสองคนทุกวันทุกวันได้กระทำโจรัฆาตกรรมคือคนฆ่าโจรทั้งสิ้นห้าสิบห้าปีในเวลาเป็นคนแก่เขาไม่อาจจะตัดสีสษะด้วยการฟันครั้งเดียวได้ ต้องฟันสองถึงสามครั้งทำให้มนุษย์ทั้งหลายลำบากพวกชาวเมืองจึงคิดกันว่าคนฆ่าโจนแม้อื่นจะเกิดขึ้นคนผู้นี้ทำมนุษย์ทั้งหลายให้ลำบากเหลือเกินเราจะต้องการอะไรด้วยผู้นี้คือเขาคิดที่จะหาผู้ฆ่าโจนใหม่จึงถอนตาแหน่งนั้นของเขาเสียนายตำพระทาธิกะคือบุุษ ขาวแดงนั้นกระทำโจรฆาตกรรมอยู่ในการกรจึงไม่ได้ทำกิจสี่อย่างอย่างนี้คือ 1. การนุ่งผ้าใหม่ 2. การดื่มยากูเจือน้ำนมที่ปรุงด้วยในสายใหม่ๆ 3. การประดับดอกมะลิและ 4. การทาด้วยของหอมก็ในวันที่ถูกให้ออกจากตำแหน่งเขากล่าวว่า ท่านทั้งหลายจงต้มยาคูเจีอน้านมแกเราแล้วให้คนถือผ้าใหม่ระเบียบดอกมะลิและเครื่องทาไปยังแม่น้ำอาบน้ำแล้วนุ่งผ้าใหม่ประดับดอกไม้มีตัวทาด้วยของหอมมาสู่เรือนนั่งแล้วที่นั้นจนทั้งหลายวางยาคูเจือน้ำนม ที่บรุงด้วยเนยสายใหม่ข้างหน้าของเขาแล้วนำน้ำสำหรับล้างมือมาตอนนคราวแดงทำบุญแก่พระสารีบุตรในขณะนั้นท่านพระสารีบุตรเตระออกจากสมาบัติพิจารณาทางที่ภิกษาของตนว่าวันนี้เราควรไปที่ไหนน้อแล เห็นอยา ก, กูเจือน้ํำนมในเรือนของนายคราวแดงนั้นจึงใคร่กรววว่าบุรุษผู้นั้นจะทําการสงเคราะห์แก่เราหรือหนอแลได้รู้ว่าเขาเห็นเราแล้วจะทําการสงเคราะห์แก่เราก็แลกลุลบุตรผู้นี้ครั้นกระทําแล้วจะได้สมบัติอันใหญ่ดังนี้แล้วจึงห่มจีวร ถือบาทแสดงตนยืนอยู่ที่ประตูเรือนของนายคราวแดงนั้นนั่นแหละนายคราวแดงนั้นพอเห็นพระเทระก็มีจิตเลื่อมใสคิดว่าก็าเรากระทําโจรฆ่าตกรรมคือการฆ่าโจรมานานเราฆ่ามนุษย์เสียเป็นอันมากบัดนี้ในเรือนของเราตกแต่งยากู เตือน้ำนมเอาไว้และพระเทระก็มายืนอยู่หน้าประตูเรือนของเราเราถวายธัยธรรมแก่พระผู้เป็นเจ้าเสียในเวลานี้จึงจะควรดังนี้แล้วจึงนำข้าวยาคูที่วางไว้ข้างหน้าออกไปแล้วเข้าไปหาพระเทระไหว้แล้วนิมนต์ให้นั่งายในเรือนเกลียยาคูเสือน้ำนม ลงในบาทราดเนยใส่ใหม่แล้วได้ยืนพัดพระเถระอยู่ในที่นั้นอัตยาศัยคือความอยากเพื่อการดื่มยากูเจือน้ำนมของเขาได้มีกำลังมากขึ้นเพราะเขาไม่เคยได้ดื่มแล้วสิ้นกาลนานพระเถระรู้อัตยาศัยของในตัมพธาติกะ คือในคราวแดงนั้นจึงพูดกับเขาว่าอุบาสกท่านจงดื่มยากูของตนเถิดในคราวแดงนั้นจึงให้พัดในมือแก่ผู้อื่นแล้วดื่มยากูเองท่านพระสารีบุตรเทระจึงพูดกับบุรุษผู้พัดนั้นว่าท่านจงไปจงพัดอุบาสกคราวแดงนั้นเถิดบุรุษคราวแดง อันบุรุษนั้นพัดอยู่ดื่มยาคู่เต็มท้องแล้วก็ไม่ทำหน้าที่ยืนพัดพระเถระได้รับบาทของพระเทระผู้ทำพัตกิจเสร็จแล้วพระเทระจึงเริ่มอนุโมทนาแก่เขาแล้วเขาไม่อาจกระทำจิตของตนให้ไปตามธรรมเทศนาของพระเทระได้พระเทระสังเกตได้ จึงถามว่าอุบาสกเหตุใรท่านจึงไม่อาจทําจิตไปตามธรรมเทศนาได้นายก่าวแดงท่านผู้เริญข้าพเจ้าทํากรรมหยาบช้ามาสิ้นกาลนานมนุษย์เป็นนั้นมากถูกข้าพเจ้าฆ่าตายข้าพเจ้ามัวระลึกถึงกรรมของตนนั้นอยู่จึงไม่อาจทําจิตให้ไปตามธรรมเทศนาของพระผู้เป็นเจ้าได้ ท่านพระสารีบุตรเทระมีความคิดว่าเราจะลวงบุรุษนั้นจึงได้พูดว่าก็ท่านได้กระทาตามชอบใจของตนหรือถูกคนอื่นให้กระทำเล่าในกราวแดงท่านผู้เริญพระราชาให้ข้าพเจ้ากระทำพระเทระอุบาสกเมื่อเป็นเช่นนั้นอกุศลธรรม จะมีแก่ท่านได้อย่างไรเนาะอุบาสกนั้นเป็นคนธาตุทึบคือมีปกติทึบถูกพระเทระกล่าวอย่างนั้นก็มีความสำคัญว่าอากุสลดธรรมไม่ได้มีแก่เราจึงกล่าวว่าท่านผู้เชิญถ้าอย่างนั้นขอท่านจงกล่าวทมต่อไปเถิดอุบาสกนั้นเมื่อพระเทระทำอนุโมทนาอยู่ มีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งฟังทำอยู่ทำขันติเป็นไปโดยอนุโลมแก่อริยสั์ได้ทำโซดาปฏิมักให้บังเกิดขึ้นแล้วแม้พระเตระกระทำอนุโมทนาแล้วก็หลีกไปในขณะที่อุบาสกผู้ตามส่งพระเทระได้ไปหน่อยหนึ่งกำลังเดินกลับนางเยษณีตนหนึ่ง มาแล้วด้วยเพศแห่งแม่โคโนมคือแปลงกายมาเป็นแม่โคโนมคิดที่อกอุบาสกนั้นให้ตายแล้วอุบาสกนั้นกระทำกาลาแล้วก็บังเกิดในดุสิตภพตอนกาลยาณมิตรเป็นเหตุให้เกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตพิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าบุรุษ ผู้ค่าโจรกระทำกรรมหยาบช้าสิ้นห้าสิบห้าปีพ้นจากกรรมนั้นในวันนี้นี่แลถวายพิษาแก่พระเถระก็ในวันนี้เหมือนกันกระทำกาละก็ในวันนี้นั่นแลเขาเบิงเกิดที่ไหนน้อแลพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าพิสุทั้งหลายบัด น, นี้พวกเธอนั่งสนทนา กันด้วยถ้อยคําอะไรน้อแลเมื่อภิกษุอนั้นรามทูลเรื่องราวดังนั้นแล้วจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุรุษคราวแดงนั้นบังเกิดในดุสิตภพภิกษุทั้งหลายจึงได้ทูลตามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสอะไรบุรุษผู้นั้นฆ่ามนุษย์จํานวนเท่านี้สิ้นเวลาเท่านี้ แล้วบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตอย่างนั้นพิจูตทั้งหลายบุรุษนั้นได้กะแลนมิตรผู้ใหญ่เขาฟังธรรมเทศนาของสารีบุตรยังอนุโลมญาณให้บังเกิดขึ้นแล้วเกลื่อนจากโลกนี้แล้วบังเกิดในวิมานชั้นดุสิตดังนี้แล้วก็ได้ตรัสพระคถานี้ว่าบุรุษ ผู้ฆ่าโจรในเมืองฟังคำเป็นสุภาษิตแล้วได้อนุโลมขันติไปสู่เถวโลกชั้นไตรทิพย่อมบันเทิงใจหนังนี้ข้าแต่พุ่งผู้เจริญก็ธรรมดาอนุโมทนาคาถาไม่มีกำลังบุรุษนั้นกระทำอกุศลธรรมไว ม, มากเขายังคุณวิเศษให้เบองเกิดด้วยเหตุเท่านั้น อย่างไรได้พระชจ้าขาพิสุท์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอย่าถือประมาณแห่งธรรมะที่เราแสดงแล้วว่าน้อยหรือมากเพราะว่าแม้วาจาคำเดียวที่อาศัยประโยชน์ประเสริฐโดยแท้แต่เมื่อจะทรงแสดงธรรมสือบอนุสนธิจึงตรัสพระคถานี้ขึ้นว่าสหัสะมัปิเจ วาจาอนัทถะปัะสันหิตาเอกังอัฏฐะปัทังสยังยังสุตวาอุปสัมมติหากวาจาแม้ตั้งพันไม่ประกอบโดยบทที่เป็นประโยชน์ไซบ ท, ที่เป็นประโยชน์บทเดียวซึ่งบุคคลฟังแล้วสงบระงับได้ประเสริฐกว่าดังนี้ ในบรรดาคำเหล่านั้นคาว่าสห ส, สัมมาปิแปลว่าแม้ตั้งพันเป็นคาสาหรับกาหนดอธิบายว่าแม้หากว่าวาจาเขากาหนดด้วยพันอย่างนี้คือ1 0 0 0 2พ0 0สอไซก็วาจาเหล่านั้นไม่ประกอบด้วยบทที่เป็นประโยชน์คือประกอบด้วยบททั้งหลายที่ไม่เป็นประโยชน์ อันประกาศแต่เรื่องพันธนาอากาศพันธนาภูเขาและพันธนาป่าเป็นต้นไม่แสดงนิพานมีมากเพียงใดก็เป็นวาจาชั่วนั่นแหละเพียงนั้นคำว่าเอกังอัฏะประทังบทที่เป็นประโยชน์บทเดียวหมายความว่าส่วนบุคคลฟังบทใดที่เป็นประโยชน์แม้บทเดียว เห็นป่านนี้ว่านี้กายนิสติไปในกายวิชาสามเราตามบรรลุแล้วคำสอนของพุท ธ, ธะทั้งหลายเรากระทำแล้วดังนี้ย่อมสงบระงับด้วยการสงบระงับกิเลสมีราคาเป็นตนได้บทนั้นสำเร็จประโยชน์ประกอบด้วยนิพันธ์คือแสดงขันธ์ธาตุอายตนะ อินทรีพระ์ะละโพชชงและสติปัฏฐานแม้เพียงบทเดียวยังประเสริฐกว่าโดยแท้ในการจบเทศนาจนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องบุรุษคราวแดงผู้ฆ่าโจรจบแม้ถ้าจะให้ข่าพระเจ้า มาลองเดาโดยที่ไม่ได้มีเครื่องรู้นะเดา ว, ว่าเออนายคราวแดงนี้ตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนนแะน่นอนคนเขาก็จะต้องเดากันไปละ่ะว่าจะต้องไปเกิดในนรกบ้างในที่ที่มันไม่ดีบ้างเพราะว่าตลอดทั้งชีวิตนี่มีแต่ฆ่าคนฆนะ่าตามคําสั่งคนเด่นก็ตามละ่ะมันก็เป็นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์เหมือนกันซึ่งทําอยู่ตลอด55ปีเนี่ยในบั้นปลายชีวิตวันสุดท้ายตรงนั้นได้ยังรอดได้ในมุวังลองกิดดู บุญความดีเนี่ยแม้น้อยนิดหนึง่งเราก็ให้ ท, ทําเถอะมันดีแน่นอนแต่บางทีเราทําไปเราเจอเนื้อนาบุญอย่างตามท้องเรื่องนี่ก็มีท่านพระสารีบุตรมาเป็นเนื้อนาบุญให้แล้วก็สามารถที่จะรอดพ้นยังมีใจิตใจที่พอจะฟังธรรมได้ได้บปรู้เป็นโซดาบันกับเขาด้วยเหมือนกันนี่คือในเรื่องที่หนึ่งเรื่องของบุรุษผู้มีคราวแดง ในเรื่องที่สองนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเถระรูปหนึ่งตัมโมฟังแต่ที่มีมานะมากเป็นผู้ที่คงแก่เรียนมีความรู้เรียนหมดจบพระไตรปิฎกแต่ว่ายังไม่บรรลุสตีพระพุทธเจ้าก็มีอุบายละในการที่จะสอนภิกษุรูปนี้และภิกษุรูปนี้ชื่อโปติระเรื่องของพระโปติระตัมโมฝังและซึ่งพระโปติระนี้มีความรู้มากและตัวเองด้วยความรู้มากเนี่ย แต่ไม่ได้คิดถึงในการที่จะเอาความรู้นี้มาทําความดับทุกข์มาในการปราดปราณกิเลสนะอันนี้ไม่ได้คิดไปถึงตรงนั้นแต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่าเอาความรู้ไปทิ้มแท่งคนอื่นนะอันนี้คือรู้มากรู้จํารู้ดีแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขนาดว่าเอาความรู้นี้ไปใช้เที่ยวดาว่าคนอื่นแต่ว่าไม่ได้เอาความรู้นี้มาใช้ในทางที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติของตนเองเรามาฟังเรื่องของพระปุตติลัทธิระ แตนะ่ซึ่งภายหลังได้มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งได้มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้โอวาดเนี่ยก็สามารถข้ามล่วงอุปสรรคของตัวเองตรงนั้นได้เรื่องพระโปติะระเถระพระาศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันทรงบรารมพระเถระนามว่าโปติระตรัพระธรรมเทศนานิว่าโยคาเว ชาญตีปูริอโยคาปูริสังขโยเอตัง เ, เวทาประถังยตวาพระวายะวิพะวายะจะตัทธั ต, ตนังนิเวสยยะยถาปูริเปาวัตติปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบแลความสิ้นไปแห่งปัญญาเพราะการไม่ประกอบ บันดิตรู้ทางสองแพร่งแห่งความเจริญและความเสื่อมนั่นแล้วพึงตั้งตนไว้โดยประการที่ปัญญาจะเจริญขึ้นได้ตอนความรู้ทั่วหมัวเอาตัวไม่รอดดังได้สดับมาพระโปติละนั้นเป็นผู้ทรงพระไตปิดกในศาสนาของพระพุทธเจ้ามาแล้วเจ็ดพระองค์ บอกธรรมะแก่ภิกษุ500รรูปพระศาสดาทรงดำรีว่าภิกษุนี้ไม่มีความคิดแม้นิดเดียวที่จะสลัดตนออกจากทุกข์เราจะทำให้เตยเกิดความสังเวชตั้งแต่นั้นมาพระองค์จึงตรัสกับพระเทระนั้นในเวลาที่หมาเฝ้าบ้ามาเถิดคุณใบลานเปล่านั่งเถิดคุณใบลานเปล่า ไปเถิดคุณไบาลานเปล่าหนงนี้แม้ในเวลาที่พระเถระลุกไปก็ตรัสว่าคุณไบาลานเปล่าไปแล้วพระโปธิลานันคิดว่าเราทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอัตถกถาสอนธรรมะแกะ่ภิกษุห้าร้รูปถึง18คณะใหญ่ถึงกระนั้นพระสัสดายังตรัส เรียกเราบ่อยๆว่าคุณใบลานเปล่าพระศาสดาตรัสเรียกอย่างนี้เพราะเราไม่มีคุณพิเศษมีชาญเป็นต้นแน่แท้ท่านจึงเกิดความสังเวชขึ้นแล้วจึงมีความคิดว่าต่อไปนี้เราจะเข้าป่าบำเพ็ญสมณธรรมอย่างนี้จึงได้จัดแจงบาตรและจีวรเองทีเดียวเอาไปพร้อมกับภิกษุผู้เรียนธรรมะ คนสุดท้ายผู้ออกไปในตอนใกล้สว่างพวกภิกษุนั่งสาธยาอยู่ในบริเวณนั้นไม่ใส่ใจว่าเป็นอาจารย์พระเทระไปสิ้น120โยชนโย์แล้วเข้าไปหาภิกษุส0สรูปผู้อยู่ในวัดป่าแห่งหนึ่งไหว้พระสังฆทาเทระที่นั่นแล้วกล่าวว่าท่านขอรับขอท่านจงเป็นที่พึ่งของกระผมด้วยเถิด พระเทรานีที่นั้นกล่าวว่าผู้มีอายุท่านเป็นพระธรรมกะถึกพวกเราเสียอีกที่ต้องอาศัยท่านจึงได้ความรู้บางสิ่งบางอย่างเหตุไฉนท่านจึงพูดอย่างนั้นพระโปติละท่านผู้เจริญอย่าทําอย่างนี้ขอท่านจงเป็นที่พึ่งของกระผมเถิดตอนวิธีขจัดมานะของพระโปติละก็พระเทระ นั้นทั้งหมดล้วนเป็นพระกีนาศพคือบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วลําดับนั้นพระมหาเทระในที่นั้นจึงส่งพระโปติระนั้นไปหาพระอนุเทระด้วยคิดว่าพระอาศัยการเรียนพระรูปนี้มีมานะมากทีเดียวก็แม้พระอนุเทระนั้นก็บอกพระโปติระอย่างนั้นเหมือนกัน พระเทวราชหมดสรงท่านไปโดยทํานองนี้จนไปถึงสามเณรอายุเร็จขวบผู้บวชใหม่กว่าทุกรูปกำลังนั่งเย็บผ้าอยู่ในที่พระกลางวันพระเทราทั้งหลายกำจัดมานะของท่านด้วยอุบายอย่างนี้ตอนพระโปติละหมดมานะพระโปติละนั้นถูกกำจัดมานะแล้ว ได้ยกมือไหว้สามนเณรกล่าวว่าท่านสัตบุุษจงเป็นที่พึ่งของผมด้วยสามนเณรตายจริงท่านอาจารย์ท่านพูดอะไรท่านเป็นคนแก่เป็นพะหูสูตรผมควรเป็นฝ่ายเรียนกับท่านพระโพธิละท่านสัตบุุษท่านอย่าทำอย่างนี้ท่านจงเป็นที่พึ่งของผมให้ได้สามนเณรท่านกรับ หากท่านอดทนคำสอนได้ผมจะเป็นที่พึ่งแก่ท่านพระโพธิละผมอดทนได้ท่านสัต บ, บุตรเมื่อท่านบอกให้ผมลุยไฟผมก็จะลุยไฟเลยทีเดียวตอนพระโพธิละปฏิบัติตามคำสั่งสอนของสามเณรลำดับนั้นสามเณรจึงชี้สัก์แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลแล้วกล่าวกับท่านว่าท่านขอรับ ท่านนุ่งห่มตามเดิมนั่นแหละจงเดินลงในสะใบานี้จริงอยู่สามเปนหนนั้นแม้รู้ว่าพระเถระห่มจีวรสองชัน้นซึ่งมีราคามากแต่เมื่อจะทดลองว่าพระเถระจะอดทนคำสอนได้หรือไม่ดังนี้จึงบอกอย่างนั้นฝ่ายพระเถระก็ลงสะด้วยคำสั่งเดียวเท่านั้น ลำดับนั้นในเวลาที่ชายจีวรเปียกสามารถเนรจึงกล่าวกับท่านว่าขึ้นมาจ็ดขอรับแล้วกล่าวกับท่านผู้มายืนอยู่ด้วยคำสั่งเดียวว่าท่านขอรับในจอมปลวกแห่งหนึ่งมีช่องอยู่หกช่องในช่องเหล่านั้นตัวเงินตัวทองตัวหนึ่งเข้าไปภายในโดยช่องช่องหนึ่งมีบุคคลประสงค์จะจับมัน จึงอุดช่องทั้งห้าเสียขุดช่องที่หจับเอาตรงช่องที่มันเข้าไปนั่นเองในทวารทั้งหก็เหมือนกันท่านจงปิดทวารทั้งห้าที่เหลือเริ่มตั้งการกระทำคือกรรมฐานนี้ไว้ในมโนทวารทางเดียวอย่างนี้ด้วยคำแนะนำเท่านี้ความแจมแจ้งได้มีแก่ภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรดุจ ดวงประทีลปลุกโผลขึ้นฉะนั้นพระโปติละนั้นพูดว่าท่านสัต บ, บรุษพอเท่านี้แหละแล้วจึงยังยานลงในกราชกายคือในสรีระนี้ปรารบสมณธรรมตอนทางเจริญและทางเสื่อมแห่งปัญญาพระาศาสดาประทับอยู่ไกลออกไปประมาณ 120โงร้ยยีเดียวทอดประเนนเห็นภิกษุนั้นทรงมีความดําริว่าภิกษุนี้เป็นผู้มีปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินด้วยประการใดแลควรที่เธอจะตั้งตนไว้ด้วยประการนั้นนั่นแลหนังนี้แล้วทรงเปล่งพระรัศมีไปประหนึ่งตรัสอยู่กับภิกษุนั้นได้ตรัสพระคถานิว่า โยคาเวชายติปุริอโยคาภูริสังคโยเอตังดเวทาปทัทถัยตวะภะวายะวิภวายะจะตะัทธตานังนิเวสเยะยถาปุริปรวัตติปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบแลปัญญาเสื่อมไปเพราะการไม่ประกอบ บุคคลรู้แห่งแห่งความเจริญและความเสื่อมสองต่างนี้แล้วพึงตั้งตนไว้โดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าโยคาแปลว่าเพราะการประกอบหมายความว่าเพราะทำไว้ในใจโดยแยบกายในอารมณ์38คําคำว่าผูริคือปัญญานั้นเป็นชื่อแห่งปัญญา อันกว้างขวางเท่าแผ่นดินส่วนคำว่าสังคโยคือความเสื่อมไปคือความพินาศคำว่าเอตังทเวทาประถังคือทางสองทางนี้ได้แก่การประกอบและการไม่ประกอบนั้นคำว่าพระวายะวิภวายะจะคือแห่งความเจริญและความเสื่อม ได้แก่แห่งความเจริญและความไม่เจริญคำว่าตาทัตตานังคือตนโดยวิถีทางหมายความว่าบัณฑิพตพึงตั้งตนไว้โดยประการที่ปัญญากล่าวคือปูรินี้จะเจริญยิ่งขึ้นในเวลาจบพระคถ า, าพระโปติลเถระตั้งอยู่ในพระอระหัสต์แล้วแหละเรื่องพระ โปติละเทระจบและนั่นคือนิทานธรรมบทสองเรื่องที่ข้าพเจ้านำมาให้ฟังในวันนี้ถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะใดนๆอยากฟังเรื่องราวไหนๆนันก็สามารถที่จะเขียนไปจดหมายหรือว่าไปษนียบัตรส่งมาที่วัดผา ด, ดอนไฮโศกได้เลขที่หนึ่งหมู่แปดบลดอนไฮโศกอาเภอหนองงานจังหวัดอุดรธา น, นีหรือว่าถ้า ต้องการจะติดต่อทางเว็บไซต์ก็ที่เปียวธรรมะ .com, buredha.mm.com และที่เว็บไซต์นี้ทางผู้ฟังก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังได้ด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาไปบุญอภิปุนโนก็ขอลาไปก่อนจิลปกร